พ่อสิรุ่น2พ่อผมเป็นทหารยศจ่าสิบเอกเป็นคนร่างใหญ่พอเป็นทหารที่มีเพื่อนฝูงมากและใจถึงรักเพื่อนชอบกินเหล้าชนิดหัวราน้ําในคืนวันที่30พฤศจิกายนพศ .2514 พอรับเงินเดือนแล้วพ่อผมและเพื่อนของท่านนัดแนะ ก, กันกินเหล้าฉลองเงินเดือนออกเหมือนปกติทุกสิ้นเดือน ส่วนลูกน้องต่างแยกย้าย ก, กันกลับบ้านพ่อกับเพื่อนนั่งกินเหล้ากันอยู่สองคนหมดไป12แบนเสร็จแล้วแยกกันขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านพอถึงทางโค้งมอเตอร์ไซค์พ่อวิ่งแหกโค้งหลุดถนนลูกรังลงข้างทางกลางดึกคืนนั้นไม่มีใครรู้เรื่องเลยเพราะทางโค้งนี้เป็นที่เปลี่ยวมากไม่มีบ้านคนและไม่มีโทรศัพท์และการสื่อสารที่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้ พ่อจึงนอนตากอากาศชื้นจากความหนาวเย็นของฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายนตีสี่ของเช้าวันรุ่งขึ้นผู้คนในบ้านตาดออกเดินทางไปตลาดในเมืองพอมาพบพ่อเขานึกว่าพ่อตายแล้วเลยเอามอเตอร์ไซค์มาทับร่างของพ่อไว้แต่คงจะเป็นเพราะดวงของพ่อยังไม่ถึงคา้พ่อรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาเขาจึงพาพ่อไปส่งโรงพยาบาล คุณตาของผมเห็นอาการของพ่อถ้าทางจะไม่รอดรีบเข้าไปกราบเรียนหลวงตาท่านให้ลูกศิษย์โทรศัพท์ไปหาอาจารย์หมออุดมที่เป็นหมอใหญ่โรงพยาบาลสิริราชให้รีบขึ้นมาดูอาการของพ่อที่โรงพยาบาลอุดรพ่อคงไม่รอดแน่หากไม่ได้คุณหมออุดมมาดูแลพ่อพ่ออยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนและได้รับความกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุในครั้งนี้จนทาให้สมองอักเสบ หากหลวงตาไม่ยื่นความเมตตาให้พ่อซึ่งเป็นลูกเขยของตาแล้วพ่อคงเสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพ่อเลิกกินเหล้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหลังเลิกเหล้าเด็ดขาดพ่อใส่เสื้อขาวทำบุญใส่บาตรหลวงตาทุกวันไม่ได้ขาดคนที่สบายใจที่สุดคือแม่และลูกลูก พ่อยังรับราชการเรื่อยมาจนกระทั่งตาจากไปพ่อจึงได้ลาออกเมื่อปีพศ2520มาทํ 20, มาทำงานอยู่ที่บ้านพ่อเสียชีวิตเมื่อวันที่30มิถุนายน2543ขณะหลงตาอยู่กรุงเทพวันรุ่งขึ้นวันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นวันที่โรงสีสีไทยใหม่ทำบุญประจำปีมีครูบาอาจารย์ไปกันมากมายเมื่อครูบาอาจาร ย, ย์รู้ข่าวเรื่องพ่อก็เดินทางมางานศพกันทุกองในเย็นวันนั้น ละ ว, วันรุ่งขึ้นเป็นวันเผาศพพ่อหลวงปู่บุญมีหลวงปู่ศรีท่านอาจารย์อินถวายได้มาร่วมงานนับว่าพ่อมีบุญมากเมื่องานศพผ่านไปแล้วก็ได้รวบรวมเงินช่วยงานไปซื้อทองถวายหลวงตาได้หนึ่งกิโลให้พ่อได้ทำบุญครั้งสุดท้ายกับหลวงตา